และพวกเราได้ทานช้านี้เป็นช้าที่เต็มด้่วยมงคลทำให้เป็นเวลาดีเลือกดีเพราะเหตุว่าเราได้ร่วมใจกันมาทำบุญบุญนั้นเนี่ยทำได้หลายวิธีและวิธีบำเพ็ญบุญนะที่เราได้ทำในวันนี้คือการถวายสังฆทาน ซึ่งก็เป็นประเพณีที่เร า, าทำกันม า, าโดยตลอดการทำบุญนะด้วยการถวายทานนะอั น, นนะที่สองที่จะเกิดขึ้นก็มีมากมายที่เห็นได้ใช้เคืออันที่สองที่เกิดจากผู้รับนะผู้รับไม่ได้ทานนั้นเนะี่ยย่อมนำไปใช้ประโยชน์ ย่อมมีความยินดีริงถ้าทานนั้นเนี่ยเป็นอาหารก็จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวนะิตการเป็นเลือดเป็นเนื้อทำให้สามารถจะบางเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นต่อไปได้อันนี้นอกจากประโยชน์เกิดจากผู้รับรั้วรือเกิดขึ้นต่อกับผู้ให้ด้วย ชอาพูดลรามความเชื่อว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ได้ทำความดีเยอะก็จะทำให้เกิด น, นิสสงตามมาเช่นมีอายุบรรณสุขภัทรหลายคนให้ทานก็เพราะว่าอยากได้โชคลาภอันนี้ก็เป็นอ น, นิสสงแห่งมุนที่เกิดขึ้น อันนี้นอกจากอายุวันสุขภัณ์หรือว่าโชคลาภที่จะบังเกิดขึ้นตามมาแล้วเนี่ยจะมีอ น, นิสงส์อย่างอื่นของบุญที่เราควรจะทิจรารณาด้วยโดยเพราะบุญที่บำเพ็ญด้วยการให้ทานบุญที่ว่าเนี่ยมันเป็นบุญที่ใจนะ อายุวันสุขาพละและโชคลาภนี้จะว่าไปก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมนะเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับกายแต่ว่าบุญที่ส่งผลถึงใจนะก็มีไม่น้อยนะเช่นทำให้เกิดปิติเ่อให้เกิดปราโมททำให้เกิดความอิ่มเองใจ เมื่อใดก็ตามที่ใจเราเนี่ยมีภาวะเช่นนั้น mm hmm. ก็เรียกว่าจาเราเป็นบุญอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขในที่นี้คือความสุขใจสุขใจเมื่อไหร่นะก็เป็นบุญเมื่อนั้นและความสุขใจที่ว่าก็เกิดจากการให้ทานด้วยอนี้ความสุขใจอันหนึ่งนะที่จะเกิดจากทาน ก็คือการที่ได้ฝึกการสลับฝึกการปล่อยการวางโดยเพราะการลดความตนีอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ประการที่สำคัญของการให้ทานในพุทธศาสนาพุ้เจ้าต่างเนี่ยทาน จำเป็นไปเพื่อการลดความตนนิงช่วยทำให้เราปล่อยวางในทรัพย์เพราะว่าความยึดติดในทรัพย์เนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์ได้งา่ายเช่นกลัวว่าคนจะมาลักออกไปคอยระววดระวังจนทั่งวิตกกังวลว่าของจะหาย หรือขั้นของนั้นหายเสื่อมโซงไปก็เป็นทุกข์บางคนป่วยเลยนะซอยทองหายนะหรือว่าเงินถูกโกงอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่ามีความยึดติดสูงแล้วอย่างที่เราพูดมเมื่อวานหลายคนกลัวตายอยอรับความตายไม่ได้เพราะว่ามีใจยึดติดในทรัพย์ยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเรา ที่ถ้าเราปล่อยวางได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะใจก็จะเบาใจก็สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอันที่สอที่เป็นทรัพย์ที่จะตามมาจากการทำบุญเราก็อย่าลืมอันิี่ส์ที่เป็นภาวะสงบเย็นใจเพราะการปล่อยการวางเพราะว่าลดความตนมี เพราะว่ า, าบรรเทาความโลภให้จางคลายไปจากจิตใจอันนี้เราทำได้จากการที่ให้ทานและที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิสัยของบุคคลที่เขาจะเรียกว่าบัณฑิตพระสารีบุตรเนี่ยเคยกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทาน ยอมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปทิสุขหรือเพราะหวังพบใหม่อุปทิสุขก็คือโลกียสุขความสุขแบบโลกโลกความสุขแบบชาวโลกซึ่งก็รวมไปถึงนะการมีอายุวรนณสุขาภละมีปฏิภาณธนัสารสมบัติความมั่งคั่งนะโชคลาภความสำเร็จอันนี้และอุปทิสุขหรือโลกยสุข ซึ่งก็เป็นที่หมายปองของคนทั่วไปเพราะมาทําให้ชีวิตนะมีความสในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยิ่งเจอไปได้วยทุกข์นะพาสลิบทึงย้งนะว่าเนะี่ยบัติเมื่อให้ทานก็ไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อธธุปทิขหรือพบหมายพบหมายก็หมายความว่าจะได้ไปเกิดนะเป็นเศรษฐีในชาติหน้าจะได้ร่ํารวยในชาติต่อไปหรือไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเจ้าคนใดคน อันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะบัณฑิตเมื่อให้ทาง น, นะจะให้ทางเพื่อมุ่งขจัดกิเลส น, นะและไม่เกาะพบใหม่ไม่เกาะพบใหม่คือว่าไม่ไปเกิดก็คือมุ่งมิตราพนั้นาการการทำบุญเราทำด้วยวัตถุประสงค์หลักปร ะ, าประกาศนะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะกระดับนะจิตใจของเรา เพื่อจะได้มีความสุขที่ประณีตเนีย่ยนระวมทั้งว่าเมื่อถึงเวลาต้องพัดพรางสูญเสียใจแล้วก็ไม่ทุกเนะี<อ>่ยก็ให้เร า, เาทําอย่างที่พระสารีบุตรแนะนําคือให้ทานเพื่อมุมขคตกิเละนะและการให้กอบพบผู้งานคือวไม่ได้ให้ทานเพื่อจะเอาไม่ได้ทําบุญเพื่อจะมีจัตเป็นนะแต่เพื่อการรดการละเพื่อการสละอันนี้ยังเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้คิดเท่าไหร่ รือไม่ได้น้องเข้ามาในใจเพราะเข้าใจว่าถ้าจะทาบุญแล้วก็ต้องเอาต้องได้ต้องมีต้องเป็นนะไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่ลืมไปว่าที่มันดีกว่านั้นก็คือการนะสละการวางการปล่อยนะเพราะว่าถ้ายังอยากได้อยากมีมันก็ยังมีทุกข์ให้คนเพราะอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกได้แล้วก็กลัวว่าจะเสื่อมไปเสียไปก็ทุกโดยความิตกังวล ทานมันเสื่อมันเสียไปเพราะเป็นธรรมนาโลกก็ทุกข์อีกนะอันนี้ถ้าเราเรียนยึดจาักการปล่อยการวางนะมันก็มันสุขได้ง่ายขึ้นนะแล้วถ้าเราทําอะไรเพื่อการปล่อยการวางเนี่ยหมายถึงการปล่อยการวางในใจนะความรับผิดชอบเราก็ยังต้องมีอยู่ต้องทําอยู่เช่นรับผิดชอบดูแลร่างกายนี้รนะับผิดชอบในการรักษาทรัพย์สมบัติรับผิดชอบในการดูแลลูกคนรัก พ่อแม่แต่ว่าใจระหว่างใจระหว่างก็คือไม่ยึดมันเป็นเราเป็นของเราเพราะความจริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกแล้วเนื่องจากควบคุมบังคับบัญชาเลยไม่ได้สั่งให้เป็นไปดังใจก็ไม่ได้รวมทั้งร่างกายนี้ด้วยนี่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญสำนักปฏิปทาแต่ถ้าผิดไปอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นวิชาปฏิปทา นะผู้เจ้าเคยตรัสว่านะถ้าหากว่ามุ่งนะทำแล้วก็ตามเนี่ยเพราะมุ่งหวังจะได้อยามีอยากเป็นเนี่ยแม้จะบำเพ็ญอภินิย่าห้านะหรือว่าจะมุ่งบำเพ็ญชาญอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นวิชาปฏิปทา ถ้าทำเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็ น, นแต่ถ้ามุ่งนิพพานนะมุ่งนิพพามุ่งการสละนะไม่สนใจนะไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรทั้งสิ้นแม้แต่การให้ทานแม้เป็นทานอะไรก็ตามก็เป็นสัมมาปฏิปทานสัมมาปฏิปทาคือการปฏิปบัติที่ถูกต้อง ที่ทำให้เกิดอนิสงส์เกิดผลที่ดีงามันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณานะเพราะว่าพวกเราก็ช่นเียวคนไทยจำนวนมากนะก็อยากจะทำบุญจนกระทั่งลมหายใจของเราที่กลายเป็นบุญมีบุญเป็นลมหายใจของเราดังั้นถ้าเราทำบุญอย่างถูกต้อง น, นะเราก็จ ะ, ะได้รับอนิสงส์แห่งบุญนะั้น เป็นอ น, นิสงส์ที่ทำให้คุณภาพจิตน ะ, จะเจริญงอกงามและนำมาสู่ความสุขที่ประณีตไม่ว่าจะเจอความผันผวนปวนแปลยังไรนะใจก็เป็นสุขได้นะและการที่การสละการปล่อยการวางเนี่ยนะก็ทำได้หลายอย่างนะนอกจากการถวายทานแล้วเนี่ยการภาวนาก็เช่นเดียวกันนะ การปล่อยการวางบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่สําคัญไม่ใช่เป็นการปล่อยวางวัตถุนะแต่ว่าอาจจะได้แก่การปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุสมนั่นก็แปลนะคนเราเนี่ยไม่ได้คิดแต่ของที่ให้ความสุขกับเราของที่รักที่พอใจนะเจน่นทรัพย์สมบัติเงินทองพ่อแม่คนรักลูกหลาน ไอ้สิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ดัดดึดนะเช่นอะไรเช่นความโกรธความเกลียดความเศร้าที่เป็นโรคซึมเศร้ากันไม่หายเนี่ยนะเพราะว่าไปยึดติดถือมากกับความความเศร้าเสียใจนะเป็นปีๆบางทีเป็นสิบปีจนกระทั่งซึมเศร้าไอ้ความโกรธความเศร้าความเสียใจความเกลียดความรู้สึกผิดพุ่งนี้เนี่ยมันดีที่ไหนนะ ไปยึดมันก็เหมือนกับไปจับ ก, กองไฟไปจับถ่านแต่คนก็ไปยึดนะโกรธเนี่ยก็ไม่ยอมสละความโกรธสักทีเศร้าก็เอาจต่นั่งเ จ, าจ้าตุกเพื่อนชวนไปเที่ยวไปไหนก็ไม่ยอมไปฉันจะขอนั่งเศร้าซึม อ, อนนยู่นั่นแหละนี่เรียกว่ายึดติดนะทั้งที่มันไม่เป็นไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดเลยเพราะมันทําความทุกข์แต่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็ยึดไม่ได้นะแม้เราอยากจะยึดเพราะว่ามันก็ไม่เทีย่ยง อันนี้การถ้าเรานะต้องการทำใจให้ปล่อยทําใจให้ปลงร่วงบางสบายก็ต้องรู้จักการปล่อยวางแม้กะทั่งอารมณ์ที่เป็นอกุศลตรงนี้ก็เป็นเรื่องของภาวนาเนะช่นการเจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาเนี่ยก็ช่วยทําให้ใจเราเนี่ยปล่อยจากความโกรธความเกลียดก็ได้บุญ ม, มากทีเดียวนะผู้จ่าตรัสว่าเนี่ย ผู้ใดที่เจริญเมตตาเจตโตวิมุตต์นะเมตตาเจตโตวิมุตต์ก็คือหมายก็คือการทําให้จิตเนี่ยมีเมตตาจนกระทั่งเป็นอิสระจากความปวดความเปลี่ยนเนี่ยได้บุญพอพอการถวายทานด้วยอาหารสามรอยหม้ออาหารสามรอยหม้อเนี่ยกว่าจะทําได้ครบนี่ได้เสร็จนี่ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะบางทีเป็นเดือนแต่ผู้เจ้าตาวันเนี่ยเพียงแค่เจริญเมตตาเ จ, เตาเจตโตวิมุตต์แค่นะ ช่วงรดนมโคนะช่วเวลารีดนมโคนี่นะมันก็ไม่นานนะ้านาทีสินาทีนี่ได้อันนี้สองมากนะมันไม่ใช่อันนี้สงที่เป็นทรัพย์เป็นความบ้างมีแต่เป็นความสุดทางใจหรือแม้กระทั่งนะเพียงแค่จะเลยเมตตาจิตนะช่วชั่วดมสูตนะไม้หอมเนี่ยก็สั้นมากนะก็ได้อันนี้สงคือความสงบเย็นใจเนี่ยหรือบุญเนี่ยนะมากกว่า การรักษาศีลนะหรือว่าการถวายทานแก่พระอรหันต์งพระพุทธเจ้าที่ทำถวายทานแก่พระอรหันต์หรือพายทานพุทธเจ้าในหูย่างนะแล้วบางและเป็นไปไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าพุทธเจ้าก็เสด็จปฏิบัติธรรมเป็นานแนละ้วแต่ว่าเพียงแค่เราจเจริญเมตตาจิตเนี่ยแค่ประเดียวเดียวนะแค่สูตรตมไม้หอมเนี่ยนะมันก็ได้นิสงส์งเยอะแล้วเป็นนิสงส์งที่เกิดจากใจที่ปล่อยใจที่วางจากอารมณ์อกุศล นะความปดมาิดความเปลี่ยนในที่ทำได้ด้วยการเจริญเมตตาหรือว่าการเจริญการพิจารณาถความไม่เที่ยงของชีวิตเรียกว่าอ น, นิจจสัญญาอันนี้ก็ได้อ น, นิสงนะยิ่งกว่าการถวายทานจากพระพุทธเจ้าสิอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาวนาถึงเป็นเรื่องสําคัญนะที่เรา อ, อย่าละเลยนั่นนอกจากการถวายทานแล้วก็บำเป็นภาวานาด้วยการ ฝึกจิตด้วยนะให้มีเมตตาฝึกจิตให้รู้เท่าทันในความเป็นธรรมดาของชีวิตของสังขารที่ไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่านิจยสัญญาเนะจริญนิจยสัญญาคือพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารทั้งที่อยู่นอกตัวเราและที่อยู่ในตัวเราคือร่างกายและจิตใจด้วยนะมันพิจญญารณาบ่อยๆก็ได้บุญเหมือนกันเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้ใช้เงินอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญนะ เราคิดว่าทําบุญ ต, ต้องใช้เงินที่จริงทําบุญไม่ต้องใช้เงินก็ได้ไม่มีเงินก็ทําบุญได้เวลามีคนให้ทานและเราอนุโมทนาในบุญที่เขาทําในทานที่เขาบําเพ็ญเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วนะในสามพุทธการก็มีนางวิสาขาถวายประสาทจากคณะสงฆ์ก็มีเพื่อนของนางไม่ได้มีเงินร่ํารวยขนาดนั้นเธออนุโมทนาปรากฏว่าได้บุญแล้วนะ ตายและไปเกิดในโซหันมีวิมานรองรับสอบถามไปสอบถามมาก็ได้ความว่าเป็นเพราะว่าเธอได้อนุโมทนาะในฐานของนางวิสาขาที่ได้บำเพ็ญอันนี้เราปฏิัติอานุโมทนาใหม่ที่เกิดจากการอนุโมทนาในความดีมีผู่คนหนึ่งนะไปไปเจอคนที่อยากจะมาทำบุญ อยากจะมาทำบุญเธอก็อนุโมทนาในบุญของในทางของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ชี้ทางชี้ทางว่าจะไปทำที่ไหนไปทำที่วัดนะชี้ทางบอกทางไปวันแค่นี้ได้บุญแล้วนะผู้เจ้าเรียกาเป็นบุญที่เกิดจากฝ่ามือของท่านนะบุญที่เกิดจากฝ่ามือของท่านนะก็คือชี้บอกทางนะไปทำบุญนะไม่ได้เกิดจากทรัพย์ ไม่ได้เกิดจากเงินทองแต่ว่าเกิดจากฝ่ามือให้รู้จักบุญที่เกิดจากฝ่ามือไว้บ้างเนะรื่องขอการทําบุญด้วยฝ่ามื อ, มอคือการบอกบอกทางไปทําความดีหรือใช้ฝ่ามือเนี่ยนะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นปลูกต้นไม้สร้างสวนก็ได้บุญนะพระเจ้าตรัสว่าในผู้ใดที่สร้างสวนปลูกป่าหรือว่าขุดบ่อน้ําสร้างสะพานเนี่ย บุญของคุณนั้นจอมเจรนะิญอยู่ทุกเมื่อื่อหวันอันนี้ก็บุญนะที่เกิดจากฝามอือ น, นะให้เรารู้จักบุญแบบนี้บ้างการช่วยเหลือส่วนรวมนะเห็นบอกเห็นใบไม้ตกในวัดก็ดีหรือว่าในที่สาธารณะก็ดีเราก็พยายามกวาดให้มันสะอาดร่มรื่นสมกับเป็นอารามอารามไม่้แปลว่าวัด น, นะแปลว่าที่ร่มรื่นอยู่แล้วสบายใจเย็นใจ อันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยทําได้หลายอย่างแม้กระทั่งดูแลแม่ก็เป็นบุญดูแลพ่อที่ป่วยก็เป็นบุญมีบางคนเข้าใจผิดนะพ่อแม่ป่วยแทนที่จะดูแลท่านปรนิบัติท่านเข้าวัดไปทําบุญถามว่าไปทําบุญไปทําอะไรเอาบุญไปทำอะไรเพรว่าทําบุญเพื่อจะส่งบุญมาให้พ่อแม่ ระว่างการทําบุญส่งให้พ่อแม่กับการที่ไปดูแลปริบัติท่านอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันนะหลายคนไปคิดว่าเออเข้าวัดแล้วก็ทําบุญแล้วก็ส่งบุญให้พ่อแม่เนี่ยเป็นการช่วยพ่อแม่นะก็จริงนะแต่มันสู้การดูแลปริบัติท่านไม่ได้แต่หลายคนปฏิเสธหรือเลีเ่ยงที่จะทําอย่างนั้นเพราะมันเหนื่อยนะปริบัติพ่อแม่เนี่ยมันเหนื่อยนะต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวต้องก้อนข้าบางทีก็ต้อง เช็ดขี้เ็ดเ ย, ยวหลายคนเลือกวิธีที่ง่ายคือไปทําบุญแล้วก็ส่งบุญมาให้พ่อแม่แบบนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าเขาไม่ตระหนักว่าการดูแลบุญแบบพ่อแม่ที่ป่วยก็เป็นการทําบุญอย่างยิ่งเนะพราะพ่อแม่ก็เป็นพระ อ, อรหันต์ของลูกเพราะเจ้าเมื่อพบว่ามีาพระในวัดป่วยแล้วไม่มีใครดูแลพระงก็เสด็จมา ดูแลเองดูแลด้วยด้วยพระองค์เองนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรที่เปื้อนเลือดหนองไปซักพระองค์ก็ไม่ได้ใช้วิธีการส่งบุญมาให้นะไม่เคยใช้วิธีนี้เลยแต่พระองค์เสด็จมาด้วยพระองค์เองแล้วก็มาดูแลเนื้อตัวเขาแล้วก็พูดให้ธรรมะเพื่อให้จิตเนี่ยมันหายป่วย ซึ่งบางท่านก็บรรลุธรรมเนี่ยทั้งที่ป่วยนี่แหละและทั้าที่กำลังจะตายหรือ ท, ทันทีที่ตายเนี่ย ท, ทันทีที่หมดลมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เรารู้จักการทําบุญที่ถูกต้องนะเพราะสมัยนี้เนี่ยความเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆจนคิดแต่ว่าทําบุญต้องใช้เงินนะ และยิ่งทําบุญและใช้เงินมากเท่าไหร่ก็จะได้บุญมาเท่านั้นหรือว่าทําบุญเพื่อจะเอาเพื่อจะได้เพื่อจะมีจนลืมไปว่าการลดการละการปล่อยการวางเนี่ยนะมันมีอา น, นิสงส์นะมันส่งผลต่อจิตใจและชีวิตได้ได้ดีกว่าเยอะเลยรวมทั้งนะการทําความดีนะแม่จะไม่ทํากับวัดไม่ทํากับพระทําความดีกับพ่อแม่ทําความดีกับลูก ทำความดีเพื่อส่วนรูก็เป็นบุญแค่เราฟังธรรมนี้ก็ได้บุญแล้วนะเรียกว่าธรรมะสวัสดใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรม <c oughs> แค่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช้เส้นไม่ใช้สายนะรู้จักฟังคนที่อายุอ่อนกว่าเรานะคนที่เป็นลูกน้องเรานะไม่ถือตัวว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันเป็นเจ้านายนะฉันเป็นแม่ฉันเป็นพ่อนะลูกต้องฟังฉันนะ แต่ฉันไม่ฟังลูกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความอ่อนน้ําถ่อมตนแต่ถ้ามีก็เรียกเป็นบุญนะเรียกว่าอัปจัยน้ำใหม่บุญที่เกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นการลดอีโก้นั่นเองมันเป็นการช่วยลดช่วยรักตา่างให้เราเข้าใจนะว่าการทําบุญทําได้เยอะทําได้หลายอย่างไม่ใช่เฉพาะการให้ทานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการให้ทานแล้วเนี่ย บุญที่มี น, นิสงมากมากมากๆเลยเนี่ยคือสังคทานสังคทานเพราะว่าเป็นการส่งเสริมส่วนรวมเป็นการส่งเสริมบำรุงคนได้สงควาว่าสังคทานแปล ว, ว่าฐานที่ถวายกก่สงสง์ก็แปลว่าพระตั้งแต่ชีรูปขึ้นไปถ้าถวายจอดจงเป็นบุคคลเป็นรูปๆนี่ไม่เรียกว่าสังคทานนะถึงไม่เป็นพระเราก็เรียกว่าปาติบุคลิกทาน หรือสเาบุคลิกถานบุคลิกแปลว่าบุคคลทานที่จอดจองบุคคลเนี่ยเรียกว่าบุคลิกฐานอันนี้สงน้อยกว่าปาติอันนี้สงน้อยกว่าสังฆทานสมัยที่นางพระแม่นางประชาบ ด, ดีจะถวายจีวรเป็นเป็นทานแก่ผู้เจ้าผู้เจ้าก็แนะนําให้ถวายแก่สงนางก็ไม่ยอมอยากจะถวายแก่ผู้เจ้าผู้เจ้าก็ปฏิเสธสามครั้งสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยถวายกก่สง์ก็มาถวายกับพระองค์ อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของสังก ร, รนะกทานนะกรกระทานคือฐานที่ตัวการส่งมันเป็นการบอกว่าส่งนะไม่ใช่บอกอเฉพาะบุคคลการที่รพระาศาสนาย่างยืนมาทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าสง่งนะที่ถริงก็รวมทั้งพุทธบริษัททั้งสี่นะมันไม่ได้เป็นเฉพาะบุคคลผู้ธศาสนาย่างยืนได้ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้ า, เ พ, าเพราะพระองค์ต้งปรินิพพานไปนานแล้ว แต่ที่ยังดีสืบทอดมาเพราะว่าสมเพราะว่าพุทธบริษัทช่วยกันสืบทอดก็เหมือนกับวัดนะวัดเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีเป็นพันปีไม่ใช่เพราะเอาว่าเจ้าว่าก็อยู่ได้แค่80ปีร้อยปีร้อยิปีแต่ที่ยังดีมาได้เนี่ยเพราะว่าหมู่สงช่วยกันสืบทอดโรงพ ย, รงยาบาลอยู่ได้เป็นร้อยปีให้เซนซิริลาดนี่นะไม่ใช่เพราะผูดในกลางพูดในกลางก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องไป แต่ที่อยู่ได้นาจนถึงวันนี้ก็เพราะว่าหมู่คณะคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนะรักษาสืูดท่อต่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการบำ ร, รุงสัตว์ไหนย่างอยู่ก็บำ ร, รุงสงฆนะ์บำ ร, รุงสงไม่ใช่เฉพาะปัจจัยสี่แต่เปการศึกษาวิชาความรู้ส่งเสริมการปฏิบัติให้เจริญนอกงามตามพระธรรมวิปนายอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันแต่วิธีนี้ก็คือถวายสังฆทาน นะภาพป่านี้ก็เป็นสังฆทานอย่างหนึง่งนะก็ถิ่งก็เป็นสังฆทานอย่างหนึง่งอันี้สังฆทานเนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์กับผู้รับคือส่งแล้วและเป็นประโยชน์กับผู้ให้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ส <c oughs> ก็คือในกรณีสังฆทานที่เราทำในเช้าวันนี้ <c oughs> ก็คือผู้ที่ลงหลับแต่จะเป็นผู้ที่ยังอยู่ก็ได้นะผู้ที่ยังอยู่เนี่ยนะเราทาบุญแล้วก็ อ, อุทิศ บุญกุศลไปให้หรือว่าน้อมจิตเมตตาแผ่ไปให้ท่านขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญปลอดพ้นจากโรกคภัยไข้เจ็บนี่ก็ทําได้ส่วนผู้ที่รงรับเราก็ที่สืบุญกุศลไปให้ขอให้เจริญในสามประยะพนะให้มีสุขตินะให้อยู่ในสุขติภูเป็นต้นนะอันนี้ก็ใสยสังคทานเป็นทานที่เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้ผู้รับและผู้ที่ ล่วงลับหรือผู้ที่เราเระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราก็นิยมทําสังฆทานกันเพราะว่าอยากจะบําเพ็ญตัวให้กับผู้ที่ล่วงลับบ่อยครั้งเราก็รู้สึกว่าผู้ที่ล่วงลับไปนั้นเนี่ยนะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ทําความดีให้กับท่านไม่ได้มากหรือว่ายังทําดีได้ไม่พอแลง้นเมื่อจากไป บางคนก็จะเสียใจว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้กับท่านได้แต่ที่จริงยังทําได้ไม่มีคําว่าสายในการทําบุญที่ให้กับท่า น, นก็งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งก็เป็นการเยียวยาควา ม, ม, มทุกข์บรรเทาความเศร้าโศกด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังทําอะไรให้ได้ท่านนะในยามที่แม่ในแม่ใามที่ท่านลงลับไปแล้วคนที่ลงรับไปแล้วนี่เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนะไม่ว่าทรัพย์สมบัติที่ดินเนงินทองแต่ว่าสิ่งที่จะเอาไปได้คือบุญและบา แล้วก็สิ่งที่เราจะช่วยท่านได้ือส่งบุญอุทิศกุศลไปให้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนานะพวกเราที่ได้มาบวชเป็นบุญด้วยการถวายสังฆทานในวันนี้นะก็ขออ้างคุณพระเสี็ตระหนักใอำนวยอุปถัให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวัฒนะสุขภาพละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนากอให้จิตใจเจริญงอกงาม ละวางความผิดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงจงกระทั่งเกิดปัญญาสามารถพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขสามมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเธ อ, อัก่อนที่จ ะ, ะให้กราบพระส า, ารีรัะกวนนะ้าก็เดี๋ยวพระก็จ ะ, อะบองสุกุลนะ เรืุ่นเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องอดีตการมปล่อยวางกันเองนะอดีตเจ้ากษัตสังขาราว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันเสื่อมไปเป็นธรรมดามีแลกก็หายไปแล้วก็ประโยชนสุดท้ายคือว่าการสลับวางการปล่อยวา ง, ง, งนะหรือว่าการถูกปรยแต่งชื่นสังขารทั้งปวง เ, เป็นสุขอย่างทีนะ่อันนี้เรา ส่วนใหญ่เราไม่รู้ความหมายเราฟังจากภาษาบาลีนะแต่ถ้าเราเรารู้ถึงความหมายในคานที่พักนะส่วนภาษาสุกุลมันก็จะเป็นเป็นกุศลกับเราด้วยเพราะทําให้เรา เ, นะเป็นความสําคัญตระหนักถึงความไม่ยที่สงคาญของบท้งตัวเราด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงความสําคัญของการปล่อยการวางนะ นิจาวตสังขาราอุปาทเวทรรมิโนุปจิตวานิรุชัน a ิเตสังโฆนิจาวตสังขาราอุปาทเวทมิโนุปจิตวานิรุติเตสัโฆนิจาวตสังขาราอุปาทเวทมิโนุปจิตวานิรุเตสโฆกนี้ก็เตียม อารัพร้อมแล้วก็ขวดน้ำนะถามว่าไม่มีน้ำขวดได้ไ้ยได้ขวดแห้งในใจนี่ถึงผู้ที่ลงลกหรือถ้าว่าท่านยังไม่ลงลวก็นึกถึงท่านเที่ยงอยู่แล้วก็น้อมจิตแ่ความปราถนาดีให้ท่านได้มีความสุขปลอดภัยกายทุกไรโรคอัพยาธิเป็นต้นเนะยถาบริวาหาภุรากริรปุระกิสาครัง เอวะเอวะอิโตทิณนางเ a ตานังอุปคัปปตีอิชิตังกาดิตังตูหังทิโกเมวะสัมบิชโตสัเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนโศยัตถะมณีโชกีราโศยัถะสัปิจิโยวิบาชันโตสัพพะโรโควินัสลุมาเตโวัตวันตรายอสุขีที่ยุกภะอะภิวาทานาสริสันิจังวิทาปเจยโน จตารโหธรรมาวั s ฐานตินายุปนรสุขังพลังพัญจโภทะกินาจินนาสังฆิสุปฏิทิทาทิคารตันตาญาสาทานโสุปกปติโสยากิธรมโฌอายามิสัจโตเพตานปูชาดัปตะอุลาลังพลังจักอิปุณัปปจินังตุไมิุัปะสุตังอนัปปกตวุสังกะังรัตุสวตาสะพุทธานภาเวนสภโี พอตุเตตุสพมังกรังรักทตุสะวตาสพัฒมนุาเวนะสัธาโสติพตุเตพอตุสะพมังกรังรักทตุสะวตาสะพะสังฆานุภาเวนะสัตธาโสติพระวันตุเตก่อนที่เราจะเลิกเรานั่งทำความสงบแล้วก็จบท้ายด้วยการแห้งใหตาย